ก็วันนี้เป็นวันที่สองการปฏิบัตินะก็เป็นการมาศึกษาตัวเองนะอย่างเป็นระบบเพราะเราได้เรียนรู้จากพุทธศาสนามาว่าวิธีการที่เราจะออกจากความทุกข์ลำบากเดือดร้อนทางด้านจิตใจได้เนี่ย อ, อาศัยหลักคำสอนของพระพุทธองค์ แล้วการที่เราจะมีชีวิตอยู่พอสบายบ้างทางด้านร่างกายก็อาศัยหลักกรรมฐานทั้งสมถะวิปัสนาสมถะนั้นถ้าปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วจะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีวิปัสนาปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วก็จะมีสุขภาพจิตที่ดีสมถะเพื่อรักษาสุขภาพกายวิปัสนาเพื่อรักษาสุขภาพจิต เมื่อใช้สมถะวิปัสสนามาปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วเราก็จะไม่ลำบากการไม่ลำบากใจเพราะว่าเป็นอนิสงส์ของการเจริญสติปัฏฐาน4ี่มีอยู่5ประการประการแรกก็คือสัตนานังวิสุทธิยาชำระความเป็นสัตว์ออกจากจิตของมนุษย์ได้อันที่หนึ่งเราจะเลื่อนจากสัต นรกเปรตอสุรกายเิรัจฉามาเป็นโพธิสัตว์เราเป็นอริยสัตว์นะอันที่สองโศกฤเทวนังสมติกามายะนะจิตของเราจะไม่วิตกกังวลหุน่นโมเส้ามองอถึงแม้อารมณ์วิตกกังวลหุนโมเส้ามองเข้ามาได้แล้วก็สามารถจะข้ามมันได้อันที่สทุกขโทมนัสสานังอัดถังขมายะ ความไม่สบายกายไม่สบายใจจะดํารงอยู่นานไม่ได้จะตั้งอยู่นานไม่ได้เพราะเรารู้ทันอันที่สี่ญาณสัตว์ที่ขมายะเราจะปฏิบัติรู้จักวิธีแก้ปัญหาทั้งกายทาายั้งใจได้เข้าถึงสภาวะที่ไม่มีปัญหาอันที่5นิพพานะสัจจการณัติยะนะ ทำความสงบกายสุขกายความเย็นกายเย็นใจให้ปรากฏได้อย่างท้าวว อ, อันนี้คืออ น, นิสงฆ์5ประการของการเจริญสติปัฏฐาน4ี่อย่างถูกต้องนะแต่ถ้าไม่ถูกต้องก็จะไม่ได้ออ น, นิสงฆ์อันนี้ดังนั้นเองการจะทําให้ถูกต้องก็คือจะต้องมีหลักนะคําสอนพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องด้วยนะแม้ว่าสติปัฏฐาน4ี่ได้สืบทอดกันมาเป็น2อสพันปีแล้ว แต่ว่ามันก็มีร่องรอยให้เห็นมา ต, ตลอดทั้งหลักปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทนะไม่ถึงว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านได้มาศึกษาปฏิบัติในภายหลังท่านก็สามารถเข้าถึงสภาวะนั้นได้อยู่แล้วท่านก็นำประสบ ก, การณ์ในการแก้ปัญหาในการศึกษาเรานั้นมาส่งทอดมาสู่เรานะเราก็มาศึกษาทาตาม ซึ่งในครั้งพุทธกาลในการศึกษาสติปัฏฐานสีอาจจะไม่ยุ่งยากสับสนเพราะว่ามีเผยแพร่อยู่ที่เดียวคือพระสมณสมุทัยเจ้าและพระสาวกของท่านสำนักอื่นและที่อื่นก็เผยแพร่เรื่องอื่นถึงแม้ว่าจะมีลทัทธิมากมายแต่เผยแพร่นคนละเรื่องกันไปก็รู้ไม่ยุ่งยากใครเลือกที่จะศึกษาที่เสด็จนี้ก็มาหาพระพุทธเจ้าหรือพระสมณะสักยบุตร แต่ทุกวันเนี่ยเรามีสอนสฏิปัฏฐานเป็นร้อยๆเป็นพันๆสํานักแต่พูดคนละเรื่องอันนี้คือความยุ่งยากสับสนของยุคสมัยเป็นหลายเป็นหลายร้อยเวอร์ชันของสติปัฏฐานที่นี้ทําให้เราสับสนว่าไม่รู้ว่าแบบไหนอาจารย์ไหนสํานักไหนสอนถูกที่สุดอันนี้คือทําให้เราต้องมีทางเลือกเยอะ เลือกไปเลือกมาเราก็เลยไม่ได้อะไรเพราะเสียเวลาเลือกดังนั้นเราจะมีทางออกอย่างไรในการที่จะได้เข้าใจอย่างถูกต้องด้วยแล้วก็ได้รับผลที่ชัดเจนด้วยเพราะว่าอายุเรามันสั้นเราไม่รู้ว่าเราจะเจ็บเมื่อไหร่ตายเมื่อไหร่ป่วยเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นมีวิธีใดที่จะมาสู่การ ความเข้าใจที่เร็วและเข้าใจได้เร็วปฏิีบติผลได้เร็วน้มาเองก็ได้เดินมาตามเส้นทางนั้นนะในที่สุดก็มาพบ ว, วิธีการอันนี้ซึ่งไม่ได้หมายความวิธีการอื่นจะไม่ดีแต่ว่ามันไม่เหมาะกับ EC ของเราวิธีการดีแต่อีซีลมันอ่อนรับไม่ได้เราก็ลงมาหาวิธีที่ปรับเข้ากับ EC คือกําลังสติปัญญาของเรานะ บางทีของที่ยี่ห้อที่ดีที่สุดแต่เราใช้มันไม่เป็นราคาแพงมากคอมพิวเตอร์หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์บางอย่างซับซ้อนบางโปรแกรมสลับซับซ้อนเราใช้มันไม่เป็นเพราะมันละเอียดเกินไปเกินกําลังสติปัญญาของเราเราก็ไปเลือกที่โปรแกรมที่มันเราใช้ได้นะที่มันไม่เสียเวลาไอ้ที่ว่ายากมันก็ไม่ใช่ว่าทาให้ทาไม่ได้แต่มันเสียเวลามันไม่ทันการนะ ขั้นจะมาเสียเวลาเรียนให้มันเข้าใจก็ต้องใช้เวลานานไม่ทันเหตุการณ์ก็เลยมาใช้หลักสูตรที่เราเข้าใจได้วิธนะีการสถิติฐานสี่ก็เหมือนกันมีหลายหลักสูตรหลายอาจารย์ที่สอนแต่ว่ามาก็ไปทดสอบมาหลายสํานักก็ทราบว่าทุกท่านสอนดีแต่ว่า EC ของเราสถติปัญญาของเราไปไม่ถึงแล้วก็เปลี่ยนมาเป็น วิธีการที่เราสติปัญญาเรารับได้เพราะวิธีการที่จะเข้าถึงคําสอนผู้ทีเจ้าเนี่ยไม่ใช่จํากัดแต่คนที่มีบุญวัฒนาบามีสติปัญญาสูงเท่านั้นคนมีวัฒน า, ารามีอ่อนๆสติปัญญาไม่ถึงก็สามารถเข้าถึงได้เพราะท่านตัดไว้หลายๆแบบโดยเฉพาะเรื่องของทางกายเนี่ยท่านตรัดไปถึง6แบบถ้าคุณเอาแบบนี้ไม่ได้กับ แ, แบบที่นี้มีถึง6เวอร์ชั่น มี6ลักษณะแล้วแต่ว่าสติปัญญาของแต่ละคนจะเหมาะแบบไหนแต่ก็ถึงเป้าหมายได้ทุกคนเหมือนกับมากรุงเทพนะ่ะหุนถนัดแบบนั่งเกวียนหรือจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์หรือ Model ide, รถ p ิ c อัพสนตัวรถเมลรถไฟตลอดถึงเครื่องบินคุณจะมาเวอร์ชันไหนก็แล้วแต่ต้นทุนของเราเพราะนั้นเองในวิธีการเจริญสติแบบหพเทียนก็เช่นเดียวกันคล <c oughs> ้ายเป็น ลักษณะอย่างนั้นเป็นทั้งเลือกให้เราทีนี้วิธีการทําเราจะต้องมีคุณสมบัติอย่างที่กล่าวมาแล้วหนึ่งเส่อมีความรักความศรัทธาที่ต้องทําถ้าใจไม่รักใจไม่เอาแล้วอะไรมันก็ยากหมดถ้าใจรักใจเอาแล้วอะไรมันก็ง่ายขึ้นเมื่อใจเรารักใจเราสู้เราก็ลงมือทําก็คือมีควา ม, วามเพียรทีนี้ถ้าหากว่าเราเพียรอย่างถูกๆผิด ก็เสียเวลาอีกเราก็ต้องเพียรอยา่องยงอยางถูกต้องที่นี้เพียรอย่างถูกต้องทําอย่างไรเนี่ยเราก็ค่อยว่ากันไปตามลําดับในช่วงที่เราปฏิบัตินะที่เมื่อวานนี้นำเสนอเรื่องของหลักว่าเออหลักมันมีอย่างนี้นะเราไม่ได้มั่วทำนะหลักมันมีอย่างนี้มีความรู้สึก3ประการใช่ไหมในตัวเราเนี่ยนะแล้ว3าประการนี้เราเห็นม้างไหมว่าลักษณะที่หนึ่งคือความรู้สึกสบายเป็นอย่างไร ลักษณะที่สองคือความรู้สึกไม่สบายเป็นอย่างไรลักษณะที่สมความรู้สึกที่มันเป็นกลางเนี่ยมันเป็นอย่างไรนั้นในตลอดช่วงเวลาการปฏิบัติเราก็โฟกัดูสความรู้สึกนี้ให้ชัดๆก่อนเพื่อเราจะใช้มันได้แต่ถ้าเรารู้ไม่ชัดเราจะใช้อันนี้ก็กับไปใช้อันนั้นเราจะใช้อันนี้กลับไปใช้อันนั้นก็เรียกว่าเราเลือก อ, อารมณ์กรรมาฐานไม่ถูกไม่ว่าจริตไหนวิธีไหนซะ อนิสัยไหนก็ตามฉดิปัญญาระดับใดก็ตามทุกคนก็ยังมีเหมือนกันมีแค่สามความรู้สึกเท่านี้ว่าคนโง่คนฉลาดคนรวยคนจนคนมีการศึกษาไม่มีการศึกษาก็มีความรู้สึกพื้นฐานเหมือนกันหมดคือ3าความรู้สึกนีน้ความรู้สึกที่สบายไม่สบายแล้วก็เป็นกลางเพราะฉะนั้นเบื้องต้นในการปฏิบัติของเราเนี่ที่เราต้องมาเคลื่อนไหวเพื่ออะไรเพื่อโ น, น้มจิต ดึงจิตเข้ามาให้มารู้เรื่องนี้เพราะจำบุตรจิตเราไม่อยากจะรู้เรื่องนี้เพราะมันจิตเราไม่ชอบของจริงนะเพราะว่ามันจะรับความจริงไม่ได้นะเหมือนกับเราอยู่ภายใต้แสงตะวันแต่วันหนึ่งจะมีสักกี่ครั้งเราได้แหงนหน้ามองดวงตะวันชัดๆบางทีแทบจะไม่มีเลยก็ได้ตลอดชีวิตบางคนนะี่คือความจริงแท้ ตุนต่องความจริงมันอาจจะแทงตาแทงใจเราบ้างเวลาเราดูมันดังนั้นเราก็อาศัยแสงสว่างของมันหลายระดับแสงสว่างที่กล้าจัดก็มีแสงสว่างที่กลางๆก็มีแสงสว่างที่สบายๆก็มีแล้วแต่เราจะใช้บริการของมันแต่มันมาจากกําเนิดเดียวกันคือดวงพระทิตย์เดียวกันตัวรู้ในตัวเราก็แลกหล่งกําเนิดเดียวกันคือตัวรู้สึกตัวเนี่ย แ่มันแบ่ง3ลักษณะความรู้สึกที่สบายสบายก็มีความรู้สึกที่ค่อนข้างหนักหน่วงลำบากก็มีความรู้สึกที่มันเป็นกลางๆงที่ยังไม่ชัดเจนก็มีแล้วแต่เลือกใช้เหมือนเลืกใช้บรรยากาศภายใต้โลกบางครั้งต้องการแสงสว่างบางบางครั้งต้องการบรรยากาศที่ร่มและหลบหลูบางครั้งต้องการบรรยากาศที่ ม, ลลรรราาทมืดเมื่อถึงเวลานอนแล้วก็ใช้ ซึ่งสิ่งแวดล้อมภายนอกดูเหมือนเราจะเลือกใช้อย่างถูกกาลาเทศะเราเหมาะสมแต่พอมาถึงสภาพาภายในคือนํามาทําเรากลับเลือกใช้ไม่ถูกนะท่านั่นเองก็พราเรายังไม่มีดวงตาเห็นธรรมท่านว่าเราก็ยังมาศึกษาเพื่อได้ดวงตาเสียก่อนดวงตาธรรมก็โดยการตาที่เราจะเปิดหมายถึงว่าเราต้องเปิดใจรับเสียก่อ น, นเปิดใจคือ าม า, าเปิดใจศึกษาไม่ใช่ว่าอาจารย์อง์นี้สอนดีกว่าอาจารย์องนู้นอาจารย์องนี้สอนถูกกว่าอาจารย์องนู้นอันนี้จิตเราจะไม่เปิดเพราะมันเกิดเลือกขึ้นม า, าใครสอนอย่างไรก็ฟังไปก่อนนะฟังไปถ้าหากว่ามันถูกต้องมันก็จะสัมผัสได้แล้วก็ทําได้ถ้ามันไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงก็อาจจะสัมผัสยากทําได้ยากอย่างนี้เป็นเรลักษณะ ดังนั้นในวิธีการของพ่อเทียนพ่อพูดแล้วไอ <acceptable> ้มันสัมผัสได้นี่เรื่อความรู้สึกตัวแต่มันเป็นคํารวมๆเนี่ยความรู้สึกตัวเราทุกคนเรารู้สึกรู้สึกอย่างไรรู้สึกตื่นจากอาการนอนรู้สึกตื่นจากฝันรู้สึกตื่นจากความไม่สบายรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกพอใจไม่พอใจโอ้มันเป็นความรู้สึกเยอะแยะไปหมดแล้วความรู้สึกตัวนีารู้สึกอย่างไรเราก็เริ่มมา มาทำความเข้าใจแล้วซึ่งทัานได้กล่าวไปเมื่อวันความรู้สึกตัวคมก็มาจากความรู้สึกกายและความรู้สึกใจความรู้สึกกายเราเรียกว่ารูปความรู้สึกใจเราเรียกว่านามให้ย่อกันเข้ามาความรู้สึกกายกับความรู้สึกใจใช้ด้วยกันคู่กันแต่ถ้าหากขาดอันใดหนึ่งเราก็จะมีชีวิตอยู่ไม่ได้เราก็นำความรู้สึกอเนี้ยมา มาใช้ทีนี้ใช้เนี่ยมี2ลักษณะหนึ่งใช้ตามสัญชาติญาณก็ใช้ความรู้สึกเหมือนกันใช้สัญชาตญาณหมายความต้องการอะไรจะพูดอะไรจะทําอะไรจะคิดอะไรก็ไปตามความอยากตามสัญชาติญาณอันนั้นก็เป็นความรู้สึกเหมือนกันนะทีนี้เราก็ไม่ได้เรียนรู้จากคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้ า, าทําตามความรู้สึกอย่างนั้นอะ่ะมันเป็นความรู้สึกที่จะสร้างให้เกิดความ ทุกเรแ่อปัญหาเพิ่มขึ้นไม่มีที่สิ้นจกท่านเรียกว่ า, าวิชาทำตามด้วยความไม่รู้ท่านก็บอกว่าดังนั้นต้องไปยังไงไปใ ห, ให้รู้สึกด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวท่านก็เรียกว่าวิช า, าวิชาความรู้เนื้อรู้ตัวทำอย่างไรก็ขึ้นมาท่านก็ตรัสครั้งแรกและจะขงอุท่าปัิยานางอุท่ปัิปัญญาอุทิวิชาอุท่าปัิ ทำตามวิชาคือทําตามหลักการที่ท่านสอนเอาไว้เนี่ยเป็นพระไตรปิฎกบ้างเป็นคําสอนบ้างที่เราเรียนกันเมื่อวานเนี่ยคือหลักวิชามีอย่างนั้นทําตามหลักอันนั้นแต่มันก็เป็นหลักที่ภูกขมวดเข้าเป็นหลักการเราจะทําให้เกิดวิชาได้ไงก็ต้องมาสร้างตัวปัญญ า, าปัญญาสีขาก็คือจะต้องมารู้รายละเอียดเสียก่อนว่าอะไรเป็นอะไร รูรายละเอียดว่ากายเนี่ยประกอบด้วยอะไรใจประกอบด้วยอะไรความรู้สึกทางกายเป็นอย่างไรความรู้สึกทางใจเป็นอย่างไรก็มามาเฝ้าดูในการจะไปดูในรายละเอียดเหล่านี้ก็จะต้องมีตัวอีกตัวหนึง่งยานตัวรู้เราก็จึงมาสร้างยานคือตัวรู้เมื่อาวานเราก็บอกแล้วยานตัวนี้มาจากไหนก็ามาจากคําว่าวิญญาณ น, นั่นแหละเพราะว่าตัวรู้มันก็รู้ไปตาม ทางเขามันทางต่างหูงจมูกลิ้นกายใจมันรู้ไปหลายทางก็เรื่องวิญญาณแต่เวลาเรามาปฏิบัติเราต้องการแยกรู้มาทางเดียวเหมือนน้ํากะทิเรียกว่าวิญญาณพอแยกมาเป็นตัวน้ํามันมันเป็นหาณเพราะอะไรเพราะน้ํากะทินี่มันเอาไปเกิดแสงสว่างไม่ได้เอาไปหงุงข้าวตุมแกงทําอาหารได้แต่ว่าจะมาทําแสงสว่างไม่ได้แต่พอมันมีกระบวนการแยกเอา น้ำมันออกย่ำกะทิอา่าน้ำกะทิเอาน้ำมันมาทำแสงสว่างได้นั่นก็หมายความว่าความรู้สึกตัวเนี่ยมันประกอบด้วยส่วนที่เป็นรูป ก, กับน้ำคือน้ํากับน้ํามันรูป ก, กับนามกับมือน้ําส่วนที่เป็นน้ำจะเป็นรูปส่วนที่เป็นน้ํามันส่วนที่เป็นน้ำแต่มันปนกันอยู่เหว่นาน้ํากะทิอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยยกให้เห็นเป็นปรูปธรรมส่วนนั้นในส่วนไหนที่มันเป็นน้ํา มันก็จะแปลปวนเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของใจรักคือรูปในส่วนไหนที่มันเป็นนามคือความรู้มันก็จะลอยอยู่เหนือสามารถก่อให้เกิดแสงสว่างได้ในสิ่งเดียวกันได้อยู่ร่วมกันได้น้ํากับน้ามันได้แต่คนละธาตุเราก็มานั่งแยกออกระหว่างความรู้สึกตัวคือความรู้สึกกายแต่ความรู้สึกใจออกจากกันลักษณะไหนที่มันรู้สึกไม่สบายมันหนักมันหน่วงมันไม่สบายทางกาย นี่จะเจอไดว่ารูปรสชาติในที่มันเบามันโปร่งมันสบายเรียกว่าน้ามันก็ซ้อนกันอยู่เพราะเราก็มานั่งดูมันสองอย่างนี่แหละนั่งดูความรู้สึกทางกายรู้สึกทางใจความรู้สึกทางที่มันเป็นไม่สบายและความรู้สึกสบายก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละมือน้ํากับน้ำมันถ้ามันร้วมไว้อยู่เนี่ยเอาไปติดไฟไม่ได้เราก็มานั่งแยกกันลักษณะแยกอันนี้ใช้คําว่าอาตาปีคือมีความเพียรมีความเพียรเหมือนกระยก หม้อกะทิขึ้นตั้งไฟเนี่ยตัวเตานั่นเองหรือตัวอัตราปีแล้วเราก็เร่งไฟให้ต่อเนื่องสักระยะหนึ่งน้ำกะทิมันก็เดือด น, นั่นหมายความว่าเรามานั่งสร้างจังหวะเนี่ยมันวันจุดเตาเผาขึ้นมาละเพราะในช่วงนั่งสังหวะเนี่ยมันก็มีอาการของทุกข์ขึ้นมา ความปวดความหมืความเบือ่อความเหงาความเซงความขี้เกียจความหูดกิดความไม่สบายมันก็ขึ้นมาให้เห็นตลอดนั่นคือสาระของส่วนที่เป็นรูปอเราก็จะต้องเบินพวกนี้ออกเหมือนเราต้มเพื่อจะให้น้ํามันแห้งให้มันเหลือแต่น้ำมันเพราะเรานั่งเราเจะปฏิเสธมันไม่ได้อาการเหล่าเนี้เพราะมันเป็นตัวที่ปนมาด้วยกันกับน้ํามันนั่นแหละ เพราะ น, นการที่เรามานั่งทําโขเพรนให้มันทุกข์กอะไรก็เหมือนกับก่อไฟให้มันร้อนถ้าไฟไม่ร้อนไม่พอมันก็จะไม่สามารถจะแยกเอาน้ําออกจากน้ํามันได้เวลามานั่งทํามันก็ไม่มีความสบายแล้วเราก็ต้องทนทุกข์นี่ต้องท น, นทนทาไปเรื่อยๆใช้เชื้อเพลิงสองชนิดคืออาตตาปีสัมปชานุสติมาให้ใช้สัมปชัญญารู้สึกตัวทั่วพร้อมสํารวจมาตั้งแต่หัวจุดเท้าเนี่ย ส่วนไหนบ้างที่มันมีความสุขส่วนไหนบ้างที่มันมีความทุกข์ส่วนไหนบ้างที่มันเป็นกลางอยู่เนี่ยก็สํารวจไปเรื่อยๆส่วนไหนที่มันเป็นทุกข์เราก็แก้ไขบำบัดไปหมายควาส่วนไหนที่เป็นน้ํามันถูกเพ่งเผาเงี้ยก็แห้งไปส่วนไหนเป็นน้ํามันก็กลั่นตัวเข้ามาส่วนไหนที่เป็นน้ามันก็ลอยเด่นขึ้นชัดขึ้นก็เริ่มแยกว่าอ๋ออันนี้เป็นรูปอันนี้เป็นน้ำให้เห็นอย่างงี้ก่อน อันไหนที่มันไม่รู้สึกไม่สบายเนี่ยมันเป็นรูปมันเกิดจากการแปลปรนของกฎของอนิจจังที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราก็เข้าไปไปแทรกไปสังเกตไปศึกษาความรู้สึกแค่นี้เนี่ยส่วนที่ทนได้ก็ดูไปส่วนที่ไหนที่ทนไม่ได้แล้วก็ปรับออกไปส่วนไหนที่มันสบายเกินไปแล้วก็จะทําให้เบลอแล้วก็ปรับออกไปปรับให้เหมือได้ไอคอนรู้สึกที่พอทนได้ ที่เข้าใจได้ด้วยนะถ้าไหนมันทนได้แต่เข้าใจมันไม่ได้ก็ให้เกิดวิตุกังบลว่าใช่หรือไม่ใช่ถูกหรือไม่ถูกอย่างนี้ก็เกิดปัญหาซ้อนขึ้นมาเรียกว่านามารูปนะแต่แเราละมั่นใจว่าออความรู้สึกไม่สบายเนะี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆแหละแต่มันมีความรู้สึกสบายซ้อนอยู่ใช่ไหมก็หาดูเพียงแต่เราพลิกไปนิดหนึ่งความรู้สึกไม่สบายเขาคลายความรู้สึกสบายก็ปรากฏ ส ภ, สภาวะเหล่านี้มีอยู่จริงไหมมีอยู่จริงเราก็คอยสังเกตไปเรื่อยๆทีนี้มีข้อ ก, กํากับว่าจะต้องทําต่อเนื่องเหมือนเราหุงข้าวเนี่ยข้าวหม้อ น, นี้มันจะสุกต้องมีความร้อนเท่านี้องศาต่อเนื่องเท่านี้เวลาเท่านีาน้แล้วก็เสียบปลักเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงต่อเนื่องข้ามันสุก สั้นใดก็ดีการที่เราจะแยกให้เห็นว่าเอออันนี้เป็นความรู้สึกกายนี่เป็นความรู้สึกสจให้ชัดชเนี่ยเราใช้เวลากี่วันบางคนก็วันบางคนก็สองวันบางคนก็สามวันถ้าเข้าใจถูกบางคนก็ช้าหน่อยนะมีเวทนาเยอะและปัญญาไม่พอที่มาจัดการเวทนาได้แต่ลอดเวลาเนี่ยสติปัญญาก็นํามาใช้ตรงนี้แหละบางคนที่มีสติปัญญาดีก็จัดการได้ไวอะไรมาก็จัดการออกจัดการออก คนไหนที่มีสติปัญญาไม่ดีก็ช้าหลงเพลินคิดไปเรื่องโน่นเรื่องนี้กูจะรู้ว่ามันเป็นความคิดก็เสียเวลาไปนานแล้วในสติปัญญาน้อยหน่ยมันก็หลงเข้าไปในความคิดนานหน่อยคนไหนมีสติปัญญาดีก็เข้าไปในความคิดนิดหนึ่งบางคนหนักเข้าไปนั้นสติปัญญาแย่มากก็เขาไปนั่งง่วงอีกเสพความรู้สึกสุขๆุไปเลยแทนที่จะนั่งตื่นตัวตื่นใจนั่งง่วงอย่างเงี้ยนะสติไม่ไหวละก็มาแก้ ใช้ความเพียรเนี่ยเข้ามาแก้ปรับสติปรับระดับสติปัญญาขึ้นมามันก็ตื่นใช่ไหมเพราะมันตื่นเอาสติปัญญาเข้มแข็งขึ้นมาสติปัญญาในระดับสันชาตยานมันยังไม่เที่ยงหรือสภาพก็เราไม่ตื่นตัวอมันก็งงกลับไปอีกแล้วก็ปรับอีกอาศัยการแก้การปรับขยันแก้ขยันปรับอย่างเงี้ยบ่อยๆเข้ากําลังของสติปัญญาค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นกําลังสติปัญญาที่มันเป็นโลกุตระเนี่ยมันเพิ่มได้ อยู่เยอะที่ว่าศรัทธาและความเพียรจะเข้มแข็งแค่ไหนแต่สติปัญญาที่เป็นโลกิยะเนี่ยมันเพิ่มไม่ได้พ่อแม่ให้มาเท่าไหร่การศึกษาให้มาเท่าไหร่สิ่งแวดล้อมให้มาเท่าไหร่ครูบาอาจารย์ให้มาเท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่สติปัญญาที่เป็นโลกุตระนี่ขึ้นอยู่กับศรัทธาและความเพียรของเราเราขยันปลุกขยันตื่นขยันมั่นใจขยันธทมสติปัญญาระดับนี้มันก็เพิ่มขึ้นโดยตลอดไม่มีขีดจำกัดนะ แต่นั้นเองเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เราก็มีกําลังใจว่าอ๋อว่าเราสามารถปรับแก้ได้เนี่ยไอ้ความไม่สบายเหล่านี้เราจะขยันแค่ไหนเท่านั้นเองความทุกข์มันเกิดขึ้นในหลายรูปแบบความทุกข์เกิดขึ้นจากความไม่สบายกายไม่สบายใจเช่นเมื่อคืนนี้นอนไม่หลับสุขภาพไม่ดีวันนี้ก็มานั่ ง, ง่วงอย่างเงี้ยมันก็มีเหตุมาไม่ใช่มา เห็นว่าง่วงเราก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ใส่ใจนีแต่ว่าเหตุที่เราสร้างมาไม่ดีเมื่อคืนนี่กินยาเนาะบางตัวมันกดประสาทนะโม่นั่งคิดถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้นอนคิดหรือนอนไม่หลับหลับไม่สนิทผิดที่ผิดทินผิดกลินผิดสีก็นอนไม่หลับอ่ะนอนไม่สนิทหลับไม่ลึกพอเราตื่นเช้าเมื่ออยู่ที่บ้านตื่นแปดโมงก็อางงเจ็ดโมงหกโงหรือนี่มาตื่นทีสามทีสี่มันนอนเวลาหลับ อยู่ที่บ้านอันระลับทีหนึ่งทีสองเอามานี่มาหลับสามทุ่มมันหลับไม่ได้มันก็มีเหตุปัจจัยมาแต่นู่นละ่ะเห็นไหมเสร็จแล้วก็วมาความง่วงมันจะเกิดขึ้นไม่ใช่ไปจู่ๆมันจะเกิดมันมีเหตุปัจจัยว่าเราสร้างเหตุมันมาเองแต่เราจัดการเหตุหมันเราก็ต้องรับผลคือวิบากต้องมานั่งเสีบเสวยง่วงบางเบือ่อบ้างเซ็งบ้างปรุงแต่งฟุง้งซ่านบ้างมันก็เป็นวิบากกรรมเรารู้ว่าเออวันนี้วิบากตัวนั้นเราแก้วันนี้ต้องพยายามแก้ อย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้คือคือความเป็นจริงที่เราสัมผัสได้อะที่หลวงพ่อเทียนท่านนามาเสนอท่านก็จะพูดถึงเรื่องเหล่านี้แล้วก็นําไปแก้ดูแต่เนื่องจากว่าความจําของเรามันไม่เที่ยงไอตอนฟังเนี่ยดูเหมือนมันมจะทําได้แต่พอไปนั่งทำแล้วมันลืมหายไปได้หมดกลับไปสู่ความเคยชินเก่าๆทําไม่ได้เพราะความจําไม่ดีแล้วก็ไม่ค่อยระลึกไม่คอยตอบสวนในสิ่งที่เราฟังเพราะฟังผ่านๆไป เราไม่ได้มานำมาพิจพิจารณาก็ปัญญาเกิดชั้นเดียวแค่สุตะจินตามัมยาปัญญาก็ไม่เกิดพอไปทำทำไม่ถูกภาวนามัจยปัญญาก็ไม่เกิดมันก็เลยช้าที่ว่ามันช้าก็เพราะอย่างเนี้ยเพราะเราไม่ค่อยตรวจสอบแก้ไขเหตุมันเป็นยังไงผลเป็นยังไงแต่และอย่างนะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เลยทําให้เราต้องบูรณาการทั้งสี่ส่วนก็าได้กันทางกายบางคนเข้าใจดีละ อพอไปพูดถึงเรื่องเวทนาไปเข้าใจเรื่องเวทนาได้อีกนั้นเบื้องต้นเนี่ยวันสองวันเนี่ยวันนี้จะพูดถึงเรื่องเวทนาเมาื่อวานเราพูดถึงเรื่องกายว่ากายที่มันเคลื่อนมันไหวมันไปมันมาด้วยกลไก่อะไรกุลไก่ของธรรมชาติธาตุสี่ันาออกมาเป็นรูปกับนามเพศสองอย่างเนี่ยแต่ทีนี้พอมาวันนี้เราพูดถึงเรื่องเวทนาเวทนา ถึงได้กล่าวมาบ้างบางส่วนแล้วเมื่อวานเอาเวลาทางกายก็จะออกมาความเป็นลักษณะไม่ค่อยสบายก็ให้เห็นว่าอันนี้คือตัวทุ ก, ทกขเวทนาทีนี้พอเรามาเจริญสติเราพยายามทําความเข้าใจสิ่งที่นําเสนอว่าเออในความไม่สบายเนี่ยมันมีความสบายอยู่นะแต่คุณต้องพลิกหามันแต่คุณจะนั่งแช่อ ย, อยู่ความสบายมเดี๋ยวเขาเปลี่ยนเป็นความไม่สบาย นั่งใช่อยู่ความไม่สบายเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ พ, mm hmm. พอเรามาเจริญสติเงี้ยเราเป็นผู้จัดการจัดการเอาความไม่สบายออกไปต้องการความสบายก็จัดการความสบายขึ้นมาจัดการไปจัดการมาปัญญามันเกิดโอ้ เ, อเรามาภาวนาเพื่ออะไรมันจะได้คิดขึ้นมาเพื่อความสบายแล้วม่ใช่อยู่ความไม่สบายทําไม mm hmm. mm hmm. เราภาวนาเพื่ออะไรเพื่อการตื่นรู้แล้วยังมานั่งหลับอยู่ทําไมปัญญาไม่ค่อยเกิด เรภาวนาวเพื่ออะไรเพื่อเกิดปัญญาแล้วมานั่งง่วงนั่งเหงา ง, าง่วงสงกอย่างไรมันก็จะเกิดปัญญาเตือนตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆอเมื่อเกิดปัญญาอย่างนี้ไอ้หลายๆอย่างที่มันเรายังแก้ไม่ได้เราก็จะปรับละเออแล้วนงอย่างนี้มันทําให้เกิดความรู้สึกอย่างนี้โดยเฉพาะนักปฏิบัติใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์เนี่ยนะความไม่สบายกายเล็กๆน้อยๆเนี่ยค่อยสํารวจดู เช่นว่านั่งมานั่งปฏิบัติถ้าเป็นนักปฏิบัติเนี่ยต้องการให้ใส่ชุดหลวมๆเพื่อจะไม่ให้ร่างกายในถูกบีบอัดรัดลึงจนกระทั่งเกิดรืดอัดรับตั้งแต่เสื้อผ้าที่ใส่ให้หลวมเอาไว้ไม่แต่เข็มขัดรัดหน้าท้องอย่างนี้ามาก็ดูเอเวลารัดมากเกินไปหายใจไม่ลึกพอหายใจสั้นแค่หน้าอกมันไม่ถึงท้อง แม้แต่เข็มขัดอะตมาก็ต้องปรับละทีนี้สมัยนี้เขาไม่ต้องมีเข็มขัดใช้สายรัดตึงบ้างหย่อนบ้างซึ่งเหตุผลเล็กเล็กเลกน้อยเหล่านี้มันมีความสําคัญเราต้องดูเหตุใหญ่มันเกิดมันมาจากเหตุเล็กๆกน้อยที่เรามองไม่เห็นพุทธเจ้าที่ช้กว่าพญาทัศนสาวีมีปกติเห็นภัยในสิ่งเล็กเล็กนี่น้อยภัยใหญ่ไม่ถึงขึ้นก็ไปจากสิ่งเล็กเล็กน้อยที่เรามองไม่เห็นนี่แหละ แต่เรามาเจริญสติแล้วเกิดการตื่นตัวมันเกิดการสำรวจตัวเองว่าตรงไหนสบายตรงไหนไม่สบายนั่งท่านี้สบายนั่งท่านี้ไม่สบายนั่งนี้นท่านี้มันก็ให้เสียงต่อการ ง, ง, ง่วงนั่งท่านี้เราเสียงกับการตื่นตัวมันก็มีการปรับไม่แต่ท่านั่งท่ายืนท่าเดินเนี่ยมันก็เริ่มปรับไปแล้วในส่วนของเวทนาเมื่อไปสำรวจขึ้ความรู้สึกสบายไม่สบายมันมีอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็มาดูว่าความรู้สึกสบายกับไม่สบายอันไหนมันมากกว่า เวทนาไหนที่มันเกินเวทนานั้นก็จะไหลไปสู่จิตมันรับแต่กายไม่ได้ไหลไปสู่จิตก็เป็นเวทนาทางจิตต่อแล้วก็ปรับให้เวทนากายมันมันพอดีถ้ามันไม่พอดีมันก็จะล้นไปสู่จิตจิตก็รับช่วงต่อรับช่วงต่อมาเป็นความรู้สึกทางจิตรู้สึกหงุดหงิดไม่พอใจง่วงเหงาเหานอนเบือ่อเซ็งอึดอัดพวกนี้ยแสดงว่ามันเราจัดการร่างกายไม่ดีแล้ว มันคือจะไหลไปสูออกมาเป็นแบบนั้นนีระหว่างความหนักทางกายกับความหนักทางใจไห น, นแก้ง่ายไห น, นแก้ยากมันก็เกิดปัญญาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งโอ้ความเวลามันหนักทางกายจะแก้ง่ายกว่าแค่พิกแค่นี้มันก็หายแล้วแต่เวลาหนักใจไม่พอยใจขึ้นมาหนูพิกแล้วพิคอีมันก็ไม่หายอ่ามันก็คิดคิดติดเนี่ยมันแก้ยากแล้วถ้าไหลเก็าไปสู่จิตเราก็พยายามแก้ที่กายง่ายกว่าก็ปรับไปเรื่อยๆซึ่งได้กล่าวมาเมื่อวาน ว, านว่าให้มีเวทนาเบาบาง อย่าให้มีเวลาหนักหน่วงในแง่ของวิปัสนาอะไรก็ตามที่มันเป็นเหตุใกล้ให้เกิดความโปร่งเบาสบายเนี่ยอันนั้นมันก็จะดูแล้วมันมีกำลังเหมือนไฟเนี่ยเราลองไปจุดที่ติดไปจุดในที่ชุ่มชื้นในจุดในที่อากาศไม่พอไฟก็จะจุดติดยากแต่ไปจุดในที่โล่งโปรงอากาศออกซิเจนดีไฟก็ติดง่ายใช่เมืม่อคืนคุณนอนไม่หลับใช่ไ ใหคุณแก้ง่วงมาหลายตลบแพอสังเกตมันยังไม่ออกเลยเดี <of> error, ๋ยวให้ขับไปนอนใหม่นะอนุญาตให้ไปนอนถ้าคุณนอนไม่พอวันนี้ทั้งวันคุณจะง่วงทั้งวันคุณก็ไม่ได้อะไรเหมือนกันเมื่อวานคนหนึ่งที่นั่งง่วงถามเอาตัวเองกับผื่นผุ้แผลอย่างหนักกัลูกก็เกิดลูกลูกหลานเกิดมาดวงเล็กๆขอมาปฏิบัติกลางวันแล้วกลางคืนขอไปนอนบ้านโอ้โปัญหาเยอะแยะมากเลยแต่ก็อุตส่าห์มา อันนี้ไม่ใช่ธรรมดามานั่งง่วงหลวงพวก่ก็ไม่ได้ตัดสินว่าเขา ง, ง่วงแต่ว่าจะต้องมีเหตุสําคัญอยู่ตอนเย็นเขาไปแจ้งอ๋อเห็นไหมแต่ละคนมันไม่ใช่ธรรมดานะก็จะเห็นเป็นอย่างนี้เพราะเราได้สร้างวิบากกรรมมาเยอะจู่ๆมานั่งปฏิบัติแล้วให้มันเกิดสติปัญญาแจ่มแจ้งชัดเจนภายในวันสองวันเนี่ยยากเพราะเราได้สร้างสั่งสมในสิ่งที่เป็นน egative สิ่งที่เป็นโรคเป็นบาปมาเนี่ยเราก็ต้องมาชําระมาชําระวิบากอันนั้นด้วยการใช่ตัว ศรัทธาและความเพียรให้ไปเผาวิบากเก่าๆเห่านั้นให้หมดไปไวได้นะอันนี้คือพุทธศาสนามันมีทางเลือกและทางแก้แต่ขอให้มีศรัทธาให้มีความเพียรอย่างเต็มที่มันจะแก้ได้นะที่กล่าไปเมื่อวานนั้นเองในวิธีการปฏิบัติแบบนี้เราก็จะเห็นตามลำดับว่าเออในความธิสึกทางกายมันจะต้องเปลี่ยนแปลงเปลป่นนตลอดเวลา แต่ถ้าเราไม่รู้จักมันสิ่งที่เป็นเปลี่ยนแปลงแปรปวนเข้าไปสร้างวิบากให้กับจิตจิตใจคุณก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามอาการของกายและตัวนั้นมันก็จะทําให้คุณพูดผิดทําผิดคิดผิดตัดสินใจผิดสร้างวิบากต่อัซ้อนๆกันไปเรื่อยๆ <oui> ไม่มีทางออกพอมาปฏิบัติมิปเสนาอ๋อเขต้องมาจัดการที่ต้นตอของมันคือความไม่สบายกายเป็นไงความสบายกายเป็นไงความรู้สึกเป็นกลางเป็นไงมาดูสามอย่างให้ชัด แล้วค่อยสมดุลค่อยบาลานซ์มันสมดุลมันไอส่วนที่มันมากเกินไปก็สมดุลให้มันพอดีไอส่วนที่มันสบายเกินไปก็สมดุลให้มันพอดีไอส่วนที่เป็นกลางที่มันได้รับการสมดุลแล้วมันก็ทําให้กายสบายาใจสงบเนี่ยทําทอย่างนี้ไปเรื่อยๆให้กายสบายใจสงบไปเรื่อยๆแต่ว่าเนื่องจากเนื่องจากเรายังไม่มีประสบการณ์ที่จะใช้สติสัญญามานานพอ เพราะนั้นมันก็จ้องมีขาดมีเกินบางครั้งก็เผลอนั่งไปนานบางครั้งก็เผลอคิดไปนานบางครั้งก็เผลอหลงไปนานอย่างเงี้ยเพราะเรายังไม่รู้เท่าทันสติสัมผัสที่ฝึกมันยังน้อยอยู่นะเพื่อจะมารู้เท่าทันแก้ไขสิ่งเหล่านี้ก็ช้าแต่ค น, นที่ฝึกมาหลายครั้งโดยเฉพาะในเวอร์ชันของหลวงพ่อนี่พยายามกระตุ้นให้มาสนใจตรงนี้บ่อยๆนะเพื่ออะไรเพื่อเพิ่มกําลังความทีของสติสัมผัญญี เมื่อสติสมิยะดีนะีมันรู้มันเห็นสภาวะความแปรปรวนเปลีปล่ยนแปลงได้ไวเร แ, แก้ไขได้เร็วแก้ไขได้ต้นต่อนะที่เราทำเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อความคมและความไวของสติสมิชญะถ้าหากว่าความไม่สบายกายไม่สบายใจเกิดขึ้นทางกายแค่ใช้สติสมญยะสังเกตก็แก้ไขได้ลวแต่ถ้าเมื่อใดเราปรับตรงนี้ไม่พอดีมันหลุดเข้าไปเป็นความรู้สึกทางจิต สติธรรมะเอาไม่อยู่ล่ะต้องใช้ปัญญาเข้าไปพิจรารณาเหตุหาต้านหา ต, าหาตอกลับมากระตุ้นสติธรรมเกิดขึ้นใหม่เหมือนกับเราเชื่อโลกหลุดเข้าไปในกายเราแล้วเนี่ยพราะเราไม่ได้พิจารณาสิ่งที่มันเข้าไปทั้งอากาศอาหารทั้งอารมณ์ต่างๆที่มันไหลเข้าไปเราไม่ได้พิจรารณาพอมันไปเกิดเชื้อโลกข้างในแล้วที่นี้เราแก้ไขไม่ตกเดือดร้อนถึงหมอพยาบาลละทีนี้เห็นไหม อันนี้ในแง่ของเป็นวัตถุนะเราก็ยังเป็ น, นขนาดนั้นแต่ที่ที่เป็นนามาทำมันก็ยิ่งกว่าแต่นั่นเองถ้าหากว่าเรามีจิตใจรักไม่จิตใจเพียนพยายามจริงๆนั้นมันเป็นเรื่องยากกว่าสมควรนะตอนนั้นในวันนี้ให้ไปสังเกตเวทนาสามระดับหนึ่งเวทนาที่หนักสองเวทนาที่เบาสาเวทนาที่เป็นกลางเวทนาก็คือความรู้สึก ที่เรเข้าไปรับรู้นั่นเองเรียกว่าเสวยเรียกว่ากินก็นได้เวสวยทุกเวทนาหรือกินเวทนาขณะดนี้นนกินเวทนาทุกอยู่ก็อย่าไปกินเยอะคืออย่าไปนั่งแช่อยู่นานเวทนาเบาสบายก็อย่าไปกินมันเยอะนั่นงแช่อ ย, อยู่ในเวทนาสบายเดี๋ยวก็ง่วงเดี๋ก็หลับเวทนาเป็นกลางเนี่ยท่านบอกว่าให้กินเยอะๆหน่อยนะให้กินเยอะๆหมายความว่าต้องพยายามปรับให้มันมาเป็นกลาง อาหารถ้าหากเป็นอาหารที่อร่อยกินได้เยอะอาหารที่เค็มเกินไปจืดเกินไปเผ็ดเกินไปก็กินได้น้อยหมายความคนปรุงเนี่ยไม่รู้จักความพอดีสมดุลไม่เป็นอาหารหรือไม่อร่อยแต่แม่ครัวหมูป่าหรือแม่ครัวที่มีประสบการณ์มาสูงนะ่ะมีประสบการณ์ทาสมดุลอาหารอาหารอร่อยนีย่เหมือนกัน ถ้าหากว่าเป็นนักปฏิบัติที่มีประสบการณ์ก็คือสามารถสมดุลความรู้สึกหนักรู้สึกเบาหรือความรู้สึกเป็นกลางในสมดุลกันให้มันจากทำหนักก็ให้มันเป็นกลางเบาก็ให้มันเป็นกลางพอเ ป, เป็นกลางก็ผลขุนได้สบายร่างกายก็เบาสบายจิตใจก็สงบได้ง่ายนะอันนี้ก็ก็จะทําซ้ําอยู่นี้ก่อนซ้ําไปซ้ำมาแต่โดยอาศัยความรู้สึกตัวอันเกิดจากการเคลื่อนไหวเดินบ้างนั่งบ้างเนี่ยเป็นตัวปรับแก้ ไปเรื่อยๆเป็นเครื่องมือว่างั้นเถอะอันนี้เราก็ได้เครื่องมือมาจากครูบาอาจารย์และเป็นเครื่องมือที่สําคัญด้วยที่เราสามารถใช้ได้ตลอดทั้งเครื่องมือที่ใช้เฉพาะการและใช้ทั่วไปเครื่องมือใช้เฉพาะเหตุเฉพาะการคือมานั่งสร้างจังหวะเดินจูกลุ่มเนี่ยใช้เฉพาะเหตุเฉพาะการเฉพาะเวลาที่กําหนดแต่พอเราออกไปเข้าออห้องน้ําอาบน้ํากินข้าวแต่งเนื้อแต่งตัวเราก็ใช้เครื่องมือที่เป็น เข้าไปบูรณาการคือหมายความว่าเราจะต้องอาศัยกําลังสติสัมยะที่เรามานั่งทำเฉพาะเหตุเฉพาะการ เ, เอาไปใช้ตรงนั้นด้วยเพราะว่าอะไรตัวรู้นี่มันมีตลอดเวลาตัวรู้สึกตัวมีตลอดเวลาเราจะมานั่งเก็บเฉพาะตอนนี้มันไม่พอเราก็จะไปเก็บตัวอิริบุตเล็กๆน้อยๆ อ, อะไรก็ตามที่เราขายับเขยื้อนเคลื่อนไหวค่อยเก็บมันไปเรื่อยๆเก็บสั่งสมตัวรู้ให้มีกําลัง ได้มีความเข้มแข็งถ้าทําอย่างนี้มันไม่เกินสามวันอ๋อกายไปอย่างนี้ใจไปอย่างนี้แล้วความรู้สึกเป็นกลางเป็นอย่างนี้เราก็เริ่มเอาจิตมาตั้งในสามฐานนี่แหละเมื่อก่อนมันไม่ไม่เห็นชัดอ่ะมันก็เอาจิตไปตั้งอยู่ฐานเดียวคือฐานคิดฐานปรุงแต่งมันก็พาจิตเราไปทั่วหมดเลยจิตแล้วก็เหนื่อยก็ไม่มีกําลังนะ แต่พอเรารู้สึกว่ามันมีฐานของควมรู้สึกอยู่สามฐานเราก็ดึงจิตขึ้นมาเราจะเลือกตั้งอยู่ฐานไหนล่ะฐานหนักเกินไปฐานเบาเกินไปฐานพอดีอ่ะเราต้องการที่ตั้งฐานพอดีแต่โดยธรรมชาติมันหนักเกินเบาเกนเินเป็นธรรมชาติของไตลักษ์เขาจะต้องทํางานอยู่ตลอดเวลามาทําให้เกินทําไงล้วก็ปรับเอาตัวเกินจากอํานาจของไตลักษ์ให้มันเป็นลักษณะพอดีตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นไตสีขา มาปรับที่เราได้เห็นมาไม่อคืนนั้นกดห้องใจสกขาก็คือมาศึกษาในระบบระเบียบทางกายภายนอกก่อ น, นเรียกว่าศีละสีขาที่แปลเมื่อวานเราแลปลว่าปกติทําให้มันปกติทําให้ใหเรียบร้อยทําให้สวยงามก็เป็นศีและเป็นศิละปะขึ้นมานั้นการเจริญสติก็จึงเป็นศิละปะแห่งความเบาสบายนะ แต่ถ้าหากว่าเราไม่มีศิลปะ้ก็ดูวุ่นวายสับสนไม่เป็นระเบียบอย่างนี้ก็มันมันก็ผิดปกติละนะแล้วก็มาจัดระเบียบสมัยวิธีการนั่งการยืนการเดินการแต่งเนื้อแต่งตัวนะเพะฉะนั้นข้อเสนอที่จะให้เวทนามันพอดีมันก็คำนึงถึงปัจจัยภายนอกด้วยนะเช่นว่าเรากินมากเกินไปไม่พอดีก็อึอดอัด แปลปนไปนู่นไปนี่เราโน้งหมไม่พอดี อ, อ้อาวอืดอัดไม่สบายร้อนไปบ้างหนาวไปบ้างเย็นไปบ้างเรานอนไม่พอดีอามากไปบ้างน้อยไปมันก็จะปรับสิ่งภายนอกเข้ากันทําให้เวทนามันพอดีนะดังนั้นเองเรื่องนี้เราจะต้องอาศัยมาศึกษาสิโลสีและสิขาจักไตรลักก็มาศึกษาเรื่องมาดูปกติของกายของใจซะ ก, กัน ปกติของกายเป็นยังไงปกติของจิตเป็นยังไงมันชอบแบบไหนปกติของมันมันชอบสบายหรือไม่สบายหรือชอบเป็นกลางนะฮะชอบความสบายนี่ผิดปกติไปที่ความไมส่สบายเกินไปก็ผิดปกติเออถ้ามันเป็นกลางเนี่ยก็เรียกปกติของมันมันไม่ลงเท่านี้แล้วมันไม่ลงที่มันเป็นกลางเออมันปกตินี่เรียกว่ามีสีละนะไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปทีนี้ ในตัวของการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วเข้าไปปรับมันได้มันก็จะเป็นสมาธิก็คือไม่เกิดทุกเวทนามากเกินไปเพราะเราปรับตั้งใจปรับจิตของเราที่มาตั้งใจปรับสุขภาวะอยู่ปัจจุบัน <c oughs> ตลอดเวลาเนี่ยมันก็ไม่มีโอกาสไปสร้างเรื่องข้างนอกอไม่เคยแวบไปเรื่องพอเรนไปสร้างเรื่องข้างนอกปั๊บมันก็จะลืมตัวปกติที่เป็นปัจจุบันใช่ไหม ลืมสุขลืมทุกปัจจุบันลืมไปทันทีเลยเข้าไปในมิติของความคิดและอารมณ์แล้วรู้ตัวเอากลับเข้ามาขณะนี้เป็นไงร่างกายรูปนามเป็นไงเรากลับมาดูมาศึกษาไปหายใจเป็นไงลึกไหมนะการออกกําลังกายทั้งเช้าก็ทําให้เรามีความสมดุลขึ้นนะคนเราใ่กลัวกลัวโรคภัยไข้เจ็บแต่เหตุของมันเราไม่รู้หายใจสั้นเกินไป เ อ, อาซีเย็นไม่พอเอาชีเยนไม่พ อ, อ, พอปอดของเราซึ่งมีถุงลมถึงสมล้านสามร้ล้านถุงเล็กๆๆ็กเล็ก เ, ก เ, ก เ, ก เ, กเหัวเข็มอ่า้าปลายเข็มเนี่ยมันก็ต้องบรรจุออกซิเจนเข้าไปให้เต็มมันถึงจะไปเปลี่ยนเลือดเสียให้เป็นเลือดดีได้นะถ้าออกซิเจนไม่เต็มเลือดมันก็ดีบ้างเสียบ้างเดี๋ยวนั้นเพราะนั้นเราระบบลมหายใจที่เราสวดไปเมื่อวาน อนาปนาณาสติสมเพื่อเป็นการบริหารบอดบริหารร่างกายโดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นเดินเช้ามาพาวายสุออกกําลังกายออไปสองสาท่าเหนื่อยแล้วถ้าคุณไปอยู่ที่บ้านกา็ออกกาลังกายทาไงไปไว่ายน้ําว่ายน้ำเนี่ยมันไม่ได้ศึกษาระบบลมหายใจเข้าออกลึกตื้นแต่พอมาทำเอสเทีเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกยาวๆลึกๆเป็นการอดัดเอาเช่นเข้าไปเต็มที่ ร่างกายในต้องการออกซเมื่อออกซิเจนเต็มที่แล้วเนี่ยโรคมะเร็งที่ว่ามันระลายก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเรื่องโรคโรคมะเร็ม ง, มเมงมันกลัวออกซิเจนนะมันกลัวสารแต่ว่าสารที่มันเย็นสงบแต่สารในความร้อนก่อให้เกิดกรดแก๊สต่างๆเป็นตัวก่อมะเร็งเพราะฉะนั้นถ้าเราสร้างเห็นไม่ถูกคุณกลัวเท่าไหร่คุณก็หนีไม่พ้นแต่เราสร้างเห็นมันถูกคุณไม่ต้องไปกินยาหาหมอเพราะทำให้ถูกลรสนนี้เรียก ว, ว่าหลักของสมรถะ ดูแลร่างกายให้ถี่ถ้วนอันไหนเป็นเหตุของโลกทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตก็ต้องรู้ละค่อยศึกษามันไปอันนี้คือเรามาศึกษาวิปัสนาให้รู้ทั้งสา อ, าอาดีตที่เป็นมาที่เราทําผิดผิดมันก็ออกมาเป็นทุกขเวทนาทางกายบ้างทางจิตบ้างเราก็ต้องเพียรปรับเปลี่ยนให้มันแก่วิบากเนะจริญสติสัญญาเป็นการแก่วิบากชําระวิบากกรรมได้ด้วยนะเวทนาต่างๆที่มันเกิดทางกายทางจิต เ, เรียวกว่าเป็นวิบากกรรม เวิบักกรรมต่างๆมันจะเข้ามาเสวยเนี่ยมันอาศัยเวทนาเป็นตัวเดินถ้าไม่มีทุกเวทนามันก็เดินไม่ได้แต่พอทุกเวทนาถูกปรับแก้แตลอดเวลาวิบากกรรมก็ถูกปรับแก้ด้วยการใช้สติสมัมปชญญะเท่านั้นเองนะแต่ถ้าหากว่าคุณไม่สนใจในการเจริญสติสัมปชอย่างถูกต้องวิบากที่คุณทํามาตลอดมันก็ต้องมาเสวยโดยอาศัยเวทนาของเรานั่นแหละทำเราทรมานเรานะอันนี้คือหลักพุทธศาสนา พิสุจได้ง่ายๆเลยเนี่ยนะดันะงนั้นเราต้องการเจริญความรู้เนื้อรู้ตัวในให้มากที่สุดเพื่ออะไรเพื่อที่จะมาชำระวิบากกรรมและวิบากกรรมนั้นปรากฏตัวในรูปของทุกขเวทนานาะถ้าเราจัดการกับทุกเวทนาได้เส้นเราก็ทำลายเส้นทางของวิบากทางจิตได้เราก็มาแก้ที่ทางกายเพราะรู้ว่ามันเข้ามาทางกายโดยอาศัยกฎของใจรักเป็นตัวทางาน เราก็มาแก้กฎของใจรักโดยการใช้ตัวรู้เข้าไปบําบัดแก้ไขพิจนารณาปลดล็อกมันปลดรหัสตลอดเวลาเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้วิบากรรมก็เบาบางลงความสุขสบายวิบากรรมก็น้อยลงใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้หลักอันนี้แล้วเนี่ยร่างกายของเราที่เคยเจ็บป่วยด้วยวิบากรรมต่างๆมันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆแต่เราต้องขยันมันเพียรสร้าง สั้งตัวรู้เพื่ออะไรเพื่อรู้ทันว่าขณะนี้เวทนาสตัวเนี่ยตัวไหนมันเข้มอ่าตัวไหนมันหย่อนตัวไหนมันตึงก็ปรับอยู่เงี้ยปรับแค่นี้ไม่ต้องทําอะไรมากเนี่ยที่ว่ามันง่ายคือง่ายอย่างนี้แต่ว่าจะต้องมีศรัทธาและความเพียรเป็นพื้นฐานต้องมีใจรักและขยันขยันอะไรไม่ใช่ขยันทําขยันในการปรับในการแก้ขยันในการสังเกตขยันในการศึกษา บางคนนั่งง่วงกว่า้า้งนานแล้วยังไม่ได้ศึกษาอะไรเลยเพราะอะไรอันนั้นไปติดในวิบากสบายเราอะไรพอไปติดวิบากสบายความง่วงความสงบความมันจะเข้าหนักไปเลยนะเราก็แก้ให้มันตื่นขึ้นมาใช่ไหมเปิดหูเปิ ด, งงปดตาหายใจลึกๆเอาเอกซิเจนเข้าไปมันก็ตื่นตัวแทนที่เราจะไปแช่ไปจมอยู่ในวิบากอันนั้นเขาเรียกวิบากบุญกับวิบากกรรมวิบากกรรมทำให้เราไม่สบาย วิบากบุญทาให้เราสบายเกินไปเราก็มาบาลานทั้งวิบากบุญวิบากกรรมให้เหลือกรรมฐานแทนที่จะเป็นกรรมวิบากใช่ไหมนะบุญวิบากกรรมวิบากเปลี่ยนเป็นกรรมฐานคือเรามาศึกษามาแก้ไขลักษณะทั้งแก้ทางกายเรียกว่าสมถรกรรมฐานแก้ทางจิตเรียกว่าวิปัสนากรรมฐานนะ พี่เห็นว่าเรื่องนี้มันไปไม่ใช่เรื่องสลับซับซ้อนอะไรนะเพราะนั้นไปเห็นหลักปริยัติแล้วอย่าไปหนักใจเลยอันนั้นคือภาษาเขาแต่เราจะมาแปลงเป็นภาษาเราอย่างที่เราเข้าใจกันนี่แหละแต่ว่าอันบางภาษาเนี่ยมันก็จําจกัดนะแต่ในส่วนที่เราทําความเข้าใจเนี่ยก็พยายามแยกแยะเห็นซ้าไปซ้ำมาเห็นชัดๆเท่านั้นเองนะดังนั้นทุกครั้งที่เรายืนเดินนั่งนอน ก็มีความรู้สึกสารประการนี้เห็นตลอดเวลาถ้าเราสังเกตนะถ้าสมมุติว่าเมื่อใดเราไม่สังเกตไม่ศึกษาความรู้สึกสารประการ น, นี้มันก็จะไปสร้างวิบากใหม่คือจิตอ่าจิตของเราจะมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเป็นความรู้สึกต่างๆเขาเรียกว่านิวรณ์มีอยู่กลุ่มนี้มีอยู่5ตัวเบื้องต้นที่สุดวิบากกรรเบื้องต้นที่สุดมันจะมาเสวยเนี่ยอ่อันที่หนึ่งก็คือความที่เรา รักสบายพอมาเจอไอ้ความไม่สบายนั่งทําอะไรซ้ำซ้ำซากนานๆมันทนไม่ได้ละก็เกิดความอยากจะสบายเมื่ออยากสบายก็ไม่อยากทําำถ้าทําแล้วมันไม่สบายตัวนี้แหละเป็นวิบากละแต่พอเรามีสติสัมยะได้รับยินได้ฟังและเกิดปัญญาอ๋อตัวนี้มันเป็นความรักสบายเกินไปเรียกว่ากามาฉันทะเพราะนั้นก็เปลี่ยนกามาฉันทะมาเป็น กรรมฐานใคือเปลี่ยนความรักสบายมาเป็นเป็นกลางใะอย่าให้มันสบายเกินไปนะก็เปลี่ยนแต่ถ้าหากเรารับมันไม่ได้เราอยากสบายแต่มันก็ความสบายก็เป็นไปตามกฎของใจรักก็เปลี่ยนเป็นความไม่สบายเลือกเพราะยาปาทะมีความงูดงิดความอึดอัดขัดเคืองเพราะเรานมรับไอ้ความที่มันไม่ได้อย่างใจ อ, ะอ่ะก็เสร็จแล้วมันก็มาสร้างวิบากตัวที่สองคือโทสะ ออกมาในรูปของปฏิฆามุดอิดอืด อ, อ, อาจขัดเคืองเราก็ไม่รู้เท่าทันอีกอไม่รู้เท่าทันจิตมันจะไปซ้ายก็โดนไปขวาก็โดนทำไงในที่สุดมันก็ไม่ยอมรับรู้อะไรพอไม่ยอมรับรู้อะไรเกิดตัววิบากอันที่สมคือง่วงเหงาเฮานอนฟุ้งซ่านสงสัยครบห้าตัวพอดีอ น, นะวิบากชุดแรกมันออกมาในหตัวนี้เรียกว่านิวรห้ามันจะมาคอยอ่า หยุดคอยฉุดคอยล้างเราที่ไม่ให้ก้าวต่อไปเนี่ยหวิธีแก้หนึ่งก็คือมีสติสัจตรวจสอบอย่าให้สบายเกินไปยังยอมยอมรับความไม่สบายบ้าง2ใ น, นเมื่อมันความสบายหรือไม่สบายมันเป็นส่วนเกินเข้าไปสู่ในจิตถ้าความสบายเกินอไปเข้าไปสู่ในจิตมันจะออกมาเป็นความง่วงความไม่สบายเกินไปเข้าไม่สู่ในจิตมันจะออกมาเป็นความฟุ้งซ่าน นะและความไม่ใส่ใจทั้งความสบายไม่สบายมันจะออกมาเป็นความลังเลสงสัยนีน่หวนชุดนี้ก็เป็นที่มาที่ไปของมันนะเพราะฉะนั้นตัวกามาฉันทะคือตัวที่เราติดสบายเกินไปเกิดจากที่เมื่อวานที่เราพูดถึงว่าสัญชัตยานแล้วเราไปเสพเสวยความสบายกายที่มากเกินไปมันก็ออกไปเป็นความสบายใจแล้วไปเสพเป็นกามฉันทะนะ แต่เมื่อเป็นกรรมมชั่ถ้ามีความรุนแรงเมื่อต้องการสบายอย่างไรมันไม่ได้อย่างนั้นก็เกิดความหมู่ดีปฏิฆะไม่ได้อย่างใจก็เกิดตัววิบากอันที่สองขึ้นมาเป็นโทสากทั้งสองอย่างความสบายเกิดก็ไม่ใส่ใจความไม่สบายเกิดก็ไม่ใส่ใจก็เป็นวิบากอันที่สามคือโมหะเฉยเมยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใส่ใจวิบากอันที่สามก็ก่อให้เกิดทั้งสตัวที่กล่าวมาเป็นนิวรห้ชุดแรกเพราะฉะนั้นไปศึกษาให้ดี ในในในกลุ่มนี้นะก็มาจากความรู้สึกสามอย่างนี่แหละแต่มันกลายเป็นห้าอย่างความรู้สึกแรกคือความสบายเกินไปคิษสุขเวทนาเปลี่ยนมาเป็นการไมฉันทะความรู้สึกที่สองความไม่สบายเกินไปเราไม่บำบัดแก้ไขก็ให้เกิดความหงุดหิดเป็นพยาบาทะสองตัวนี้เป็นตัวหลักแล้วมันขยายผลมาเป็นสามตัวหลังก็คือ ตัวที่เราไปติดการมาฉันทะคือความสบายเกิดไปมันจะออกมาเป็นความงงงอหอนอนนะความที่เรามีทุกขเวทนาทางกายล้วไม่แก้ไขไม่บำบัดมันจะออกมาเป็นความพุ่งสั้นอาการห้องจิตและความไม่ใส่ใจต่อการแปลปนเปลี่ยนแปลงของทางสุขทางทุกข์มันก็ออกมาเป็ น, ปนวิบากตัวที่5คือว่าสงสัยว่าอะไรเป็นอะไรนะนี่เราจะต้องเจอในช่วงสาวันเนี่ย วิบากทั้งหตัวนี้นะแต่ถ้าบริหารจัดการระหว่างความรู้สึกสบายไม่สบายหนักเบาให้ดีแล้วเราก็จะไม่มีนิวรณ์มากั้นเราแล้วก็ผ่านไปได้สบายนะเราก็ผ่านได้แม้แต่วันเดียวก็ผ่านละแต่ถ้าเราไม่ใส่ใจต่อวิบากสองตัวความรู้สึกสบายไม่สบายไม่แก้ไม่คลไม่ปรับไม่เปลี่ยนไม่ศึกษามันก็ต้องไปเจอนิวรณ์หมาเป็นตัวกั้นเราแทนที่เราจะไปรู้เรื่องรูปเรื่องนามเรื่องเข้าใจสภาวะอะไรต่างๆได้ดีเราก็ยังขงมูขมัวสงสัยเหมือนเดิมนะตรงนี้สําคัญ นะอยาก่าให้ไปตรวจสอบมันเรื่องง่ายๆแต่ว่าพอเราปล่อยปาะล้วเลยมันกลายเป็นเรื่องยุ่ยยากซับซ้อนนะเวทนาต่างๆเรื่องง่ายๆก็มีถามความรู้สึกตั้งสติดูชาดูดโ ด, ด, ด, ดยแค่ความรู้สึก3มตัวเนี่ยที่เรียกว่าสุขเวทนาทุกเวทนาอาทุกขมสุขเวทนาความรู้สึกสบายไม่สบายเราเป็นกลางนะคำว่าเป็นกลางนี่เราไม่รู้นะสมมติเราหนักตรงนี้พลิกไปตรงนี้ ในช่วงที่เราพลิกแล้วว่าความไม่สบายเปลี่ยนเป็คนความสบายเราไม่ได้แยกข่ายว่าเอ้ยมันเปลี่ยนไปได้อย่างไรเมื่อกี้ฉันหนักอยู่เนี่ยวินาทีเมื่อกี้หนักพอเปลี่ยนมาแป๊บเดียววินาทีต่อมามันเบาเลยเนี่ยมันหายไปได้อย่างไรเราไม่ค่อยใส่ใจตรงนี้ถ้าใส่ใจตรงนี้มากๆท่านจะบอกเกิดเปลี่ยนตัวอาทุคอมสุขเป็นปัญญาได้ทันทีเลยนะดังนั้นเวลาเดินจงกรมวดีสร้างจังหวะกว็ดีให้สังเกตความรู้สึกสองอย่าง คือความสบายหรือไม่สบายความหนักความเบาความปรุงหรืความอึดอัดขัดเคืองมันก็จะปรากฏได้ตัวให้เห็นแต่ละเวลานะฮะดังนั้นเราตอกย้ําเรื่องนี้บ่อยๆเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ลืมนะเวลาเราปฏิบัติสักพักเราเหอะเราก็นั่งง่วงละลืมละอนะ่าเพราะอะไรเพราะจิตไม่ตื่นจิตมันแช่อยู่ในอาการนั้นแช่อยู่ในอาการสบายเกินไปหรือแช่อาการกไม่สบายเกินไปแล้วไม่ยอมปรับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนไปด้วยความไม่รู้ตัวก็เป็นโมหะขึ้นมาอีกเห็นไนี่เหตุทั้งมันง่ายๆเลยนะดังนั้นพูดดีเข้ามาเจริญสติปัฏฐาน4ี่เนี่ยท่านจึงต้องให้มีศรัทธาและความเพียรที่ระดับหนึ่งซะก่อนถ้าเข้ามาด้วยความอยากเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรโอ้เสียเวลางุน ง, ง, งิดอะไรก็ไม่รู้นะเราก็จะเป็นบาปเป็นกรรมต่อไปอีกนะดังนั้นเองต้องตั้งใจศึกษาเรื่องนี้จริงๆนะ นั้นในช่วงกลางวันเราจึงให้เวลายาวๆได้พิสูจน์ความถูกความผิดด้วยตัวเองนะหลังจากทานอาหารแล้วอนุยาวไปถึง5้าโมงเย็นมีสติปัญญาเท่าไหร่ทุ่มเทศึกษาเข้าไปเราจะไม่พยายามรบกวนชี้นําอะไรทั้งนั้นมันก็จะมีช่วงเช้าช่วงเย็นบอกหลักการเอาอย่างนี้นะแต่ส่วนคุณจะมีสติปัญญาวิาสนาบรารมีดีเท่าไหร่เนี่ยก็ในทําการระหว่างช่วงเช้าถึงช่วงเย็ น, นยมีโอกาสมากมายที่จะไปศึกษาแก้ไขเอา แต่ถ้าในช่วงศึกษาดังกล่าวมีข้อสงสัยลังเลเกิดขึ้นไม่แน่ใจเพราะฝังไม่ทันตอนเช้าหรือจำไม่ได้ทำแล้วเอ็มเป็นยังไงอันนี้ก็มาถามได้พี่เลี้ยงครูบาอาจารย์อยู่ใกล้ก็มาถามก็ใช้เวลานั้นให้เป็นประโยชน์นะอย่าทำ ม, มั่วๆไปทั้งที่ไม่ไม่ชัดเจนไม่ถูกต้องเวลาก็เสียไปเฉยๆไม่ได้อะไรง่วงก็นั่งง่วงอยู่นั้นคิดก็นั่งคิดอยู่งนั้น ไม่ได้ตั้งเกิดปัญญาคืาเอ๊ะทำไมไม่ต้องคิดนะเพราะอะไรนะตั้งข้อสงสัยขึ้นมาเอ๊ะทำไมมันง่วงเหลือเกินนะเพราะอะไรนะก็ตั้งข้อสงสัยขึ้นมาแล้วหาคำตอบอาหาไปหามามันได้คําตอบมันก็หายได้นะอันนี้คือวิธีการศึกษาในแง่งความรู้สึกและความรู้สึกสาประการนี่มันมีตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นแม้แต่หลับไปมันก็ยังมีอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นขอให้เอาเวทนาทั้งสาประการเนี่ยเป็น หลักสูตรในการศึกษาและปฏิบัติสังเกตในวันนี้นะแต่ให้ชัดกว่าเดิมนะให้ชัดกว่าเดิมแต่ที่เราโชคดีก็คือว่าเราใช้หลักการของหลวงพ่อเทียนเพราะสามารถนั่งได้ทุกแบบเดินได้ทุกแบบขอให้ได้เกิดสติตื่นรู้ในอาการทั้งสามนี้ให้ชัดเจนก็นแล้วกันนะแต่ถ้าหากว่าเรา ไปใช้รูปแบบอื่นเขาอาจจะจํากัดจํากัดว่าคุณจะต้องนั่งเท่านี้ต้องเดินเท่านั้นต้องยืนเท่านี้มันก็จะไม่คล่องตัวสําหรับวิธีการที่เราจะมาศึกษา เ, า, นะาเรื่องวิปัสสนาเพราะเรื่องวิปัสสนาเป็นเรื่องของคนที่เรียกว่านะศึกษาต้องการศึกษาไม่ใช่ ม, มาตัดสินว่าใช่หรือไม่ใช่เอาหรือไม่เอาแต่ศึกษาให้รู้ด้วยตนเองเสก่อนว่ามันใช่หรือไม่ใช่ถ้าครูบาอาจารย์บอกว่าใช่แต่ว่าของเรามันไม่ใช่อะมันก็รับไม่ได้ ครูอาจารย์บอกว่ามันไม่ใช่แต่ของเรามันใช่อ่ ะ, อะมันก็เอาต า, ตามอินซีตามกำลังของเรานะเพราะฉะนั้นช่วงเช้าที่นำเสนอเรื่องนี้มาเรื่องของการศึกษาเลเวทนาทั้งสามมีใครสงสัยอะไรบ้างไหม <c oughs> จําได้ใช่ไหมเอาไปทาถูกวันนี้นะเพราะฉะนั้นในช่วงเช้าเนี่ย อยากจะให้ออกําลังกายเพื่ออะไรเพื่อที่จะไม่ให้หนักหนุงหรือว่าอึดอัดเกินไปในตอนกลางวันเพราะเราต้องสมดุลท่าสีดินน้ํำลงายให้สมดุลด้วยการเอามาปรับท่าให้มันตื่นตัวเวลาในช่วงที่เราปฏิบัติมันมีนมเวทนาให้เห็นทุกเวทนาให้เห็นแต่เป็นทุกเวทนาที่เราสร้างขึ้นเองเพื่อเราจะไม่ต้องไปทุกขกรรมเวทนาที่เราไม่ได้สร้าง เื่ที่เราจะได้ไม่ถ้ามันเวทนาทุกเวานาทวานามันเกิดโดยที่เราไม่ได้สร้างนะมันกินรวบทั้งกายทั้งใจเลยนะแต่ถ้าหากว่าเวทนาทุกเวทนาที่เราสร้างขึ้นเราสามารถจํากัดมันอยู่แค่ในกายเหมือนไฟที่เราจุดอะเราสามารถกําหนดขอบเขตได้เพราะเราตั้งใจจุดในเตาไฟในกองขยะกระตแต่วันหนึ่งไฟมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้จุดอเกิดอะไรขึ้นมีปัญหาอะไรใช่ไหมพลาดก็ไม่บ้านไปเป็นหลังเลย เวทนาที่เราไม่ได้สร้างขึ้นนะ่ะผลเสียหายมันขนาดไหนใช่ไหมมันก็ลุกลามทั้งกายทั้งจิตเลยแต่เวลาออกกาลังกายเป็นเวทนาที่เราสร้างขึ้นเองใช่ไหมมันก็สามารถควบคุมความหนักความเบาได้มันก็เป็นกําลังสิ่งไหนที่เราควบคุมได้สิ่งนั้นก็เกิดประโยชน์มันก็เป็นธรรมสิ่งไหนที่เราควบคุมไม่ได้มันมันก็สร้างความเสียหายเรียกว่าอนัตตาอ่านตรับไปว่าคําบัญชาไม่ได้ควบคุมไม่ได้ใช่ไหม ในความหมายของวิปัสนาแต่ถ้าหาควบคุมได้มาเข้าบัญชาได้มันกลายเป็นธรรมเลือกเป็นปัญญาเพราะนั้นเองการศึกษาเช่นเดียวกันว่าเวลาเราปฏิบัติเนี่ยมันเพิ่มมีเวทนาที่เราสามารถควบคุมจัดการได้มันก็เปลี่ยนเป็นปัญญาทุกครั้งแต่ถ้าเราปล่อยปละละเลยที่ไม่จัดการไม่ควบคุมให้มันเป็นไปตามความเหมาะสมได้มันก็เปลี่ยนเป็นกิเลสตัณหาเป็นสมุทัยของทุกหลักนะ จะรู้ไม่มีใช่ไหมไม่มีแต่นั้นเขาเตือนอีกอันหนึ่งว่าการแต่งกายให้หลุมหุมาไว้พร อ, อะไรพเพราะานั่งบีบนั่งอัดตามกล้ามเนื้อตามอะไรต่างๆไม่สะดวกเนี่ยใส่กางเกงรัดเกินไปใส่เข็มขัดรัดเกินไปใส่เสื้อผ้าที่หนาเกินไปก็ให้เกิดความรุ่มร้อนโดยไม่จําเป็นเนี่ยก็ปรับนะปรับให้มันพอดีเว้ ย, ยฮะเล็กๆ น, น้อยๆหรอเนี่ย เป็นไปนกระแสะเล็กเล็กๆกลักมันจะเป็นแม่น้ําใหญ่มันก็จะฝนตกลงมามันตามหลุมตามร่องอะไรเล็กน้อยเนี่ยเราต้องไม่ประมาทกระแสะของเวทนาที่เกิดขึ้นตามกายของเราตั้งแต่หัวจนเท้ามันกอ่อให้เกิดทุกเวทนาได้ทุกจุดเลยน ะ, นะเราก็พยายามปรับแก้ในเงื่อนไขที่เราสามารถที่จะปรับแก้ได้เพื่อเอื้อต่อเวทนาที่ไม่ให้บีบคั้นเกินไปเราพอทนได้ถ้าเวทนามันบีบคั้นเกินไปเราก็ก่าวนกระไวท้ทางกายทั้งจิตเพราะมันปรับไม่ทัน พอสถิติสัญญาที่เราเพิ่งมาฝึกมันกําลังมันยังไม่พอที่ไปปรับแก้ได้ทุกช็อตที่มันเกิด น, นะอันนั้นในช่วงเช้าเราเรีศึกษาเหล่านี้แล้วเราเอาไปทําดูแล้วตอนเย็นก็มาสํำรวจตรวจสอบว่าใครไปศึกษาแล้วเป็นอย่างไรนั่นก็คือมารายงานอารมณ์ว่าเ อ, อวันนี้เป็นอย่างไงเอาคุณทําไม่ถูกเนี่ยต้องไปแก้ไขใหม่วันต่อไปก็มาทําใหม่ถ้าหากว่า เราผ่านไปโดยที่ไม่ตรวจสอบความเข้าใจถูกต้องมันวันนี้มันผิดพวกนี้มันก็ผิดมันลืมมันก็ผิดตลอดห้าวันคุณไม่ได้เลยเลยคุณทําผิดตลอดอามาคุณต้องรับผิดชอบเราทีเนี่ยใช่ไหม <c oughs> คุณมาเสียเวลาถ้ามาทําไมเอมื <c> ่อ <oughs> คุณไม่ทำตามในสิ่งที่ถูกต้องนะ <c oughs> มันก็จะต้องรับผิดชอบในเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยอเวลาของแต่ละคนไม่ใช่ธรรมดาควจะมาได้เนี่ยต้องวางแผนกันตั้งหลายเดือนนะนะแต่มาแล้วก็ให้มันประโยชน์คุ้มค่า าการที่จะได้ไประโยชน์คุ้มค่าคือเราต้องทําให้มันถูกต้องอธมาในฐานะเป็นผู้ที่นําเสนอเรื่องหน่งนี้ก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองพูดและสิ่งที่ตัวเองทําำเราพวกเราก็ต้องรับผิดชอบว่าได้รับฟังได้รับศึกษาไปแล้วเนี่ยเอาไปทําถูกต้องไหมต่างคนก็ต่างตรวจสอบการกระทําของตัวเองมันก็ได้ไประโยชน์ร่วมกันเรียกว่าธรรมวิจยะเพราะฉะนั้นองค์ของสติปัญฐาน4นี่เราเริ่มต้นโดยใช้สติสัมผัสชงเลยนะ พอสติสัมผชงเริเป็นองค์ของวิปัสนาล้วนๆนะฮะเริ่มด้วยสติสัมผูชงคือสติที่มันรู้พร้อมทั้งหมดทั้งกายทั้งใจเป็นสติสัมผูชงแต่สติปฐานเนี่ยรู้บางส่วนส่วนกายก็ส่วนหนึ่งส่วนเวทนาก็ส่วนหนึ่งส่วนจิตก็ส่วนหนึ่งส่วนอารมณ์ก็ส่วนหนึ่งแต่พอเป็นสติสัมผูชงก็รู้พร้อมทั้งหมดทั้งกายทั้งใจชัดทั้งลึกทั้งนาม เมื่อมาเข้าใจรูปขนามชัดในแง่ของจีตผู้ชมมันก็เกิดอันที่สองคือธรรมวิชยะคือตัวเข้าไปาสัมผัสสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นได้ชัดเราก็จะไม่สงสัยนะก็ขออนุมโมทนาในการไม่มีข้อสงสัยและขออนุมโมทนาเอาไปศึกษาเรียนรู้ตามรู้ให้ได้ทุกขณะได้ส่วนคนไหนที่ยังมีความพลังเผลอเผลอเลอ อาจะมาเห็นเข้าก็อาจจะขออนุญาตเข้าไปบอกเตือนหรือบางครั้งอาจจะมะเมิดความเป็นส่วนตัวบ้างถ้าหากว่าเราไม่รู้ตัวนะก็ขออนุโมทนาสาธุให้เรามีศรัทธาและความเพียรที่เข้มแข็งศึกษาเรื่องนี้ได้ตลอดด้วยกันทุกคนทุกท่านถูน